ได้สมทสาทานมาแล้วมันเต็สีบ้าเี็มแปดในเมื่อเลาที่เจรจาดูแล้วกเรามีสิบบริสุทธิ์นับจำนินแต่สัมาทานาซึงทาการยินดีในความบริสุทธิ์แห่งสิง่กครอบครเราได้ถงสีส่งสองตนเสียบบาสีลาทุก ส, สิ เรามีสิส่งบริสุทธ้วยกายด้วยวาจาเรามีคุณธรรมคือสิ่งระดับอยู่ในตัวในใจของเร า, เ า, า, าแล้วทาความโปรงใจเราจะเล็งในใจว่าปริสุทโอวหังสันติบริสุทธโอติดั่งตั้นโอชาเลุ เราเป็นผู้บริโภคแล้วขอพระสงฆ์ทั้งหลายจยนตนดำพรบิดาไว้ว่าเป็นผู้มีเกียรติสูงสุดส่วนเราทิศตูงสามนั่งเต็บันนี้เราได้ฟังพระปาฏิโมกได้แสดงภาัอาบัติเบ็กเดน้อยๆึนได้ใจใจดีดีทุกข์กดทุกขาสิเราได้แสดงและได้ฟัง เีสิ่ตบริสุทธ์ีแล้วต่อสมควรที่จะส่งฝังคุณธรรนสีบานในตัวสมาธิบนในจิ่เป็นเด็กของสมาทิ่มื่เราได้ปฏิบัติกันมาสำหรับผู้ใหม่ที่ยังไม่เคยปฏิบัติสมาธิเลยเราจะเดินไปปฏิบัติมาตั้งแเริ่มเข้าพรรษามาตอไ ต้องเลนึ่งเดือนปเราอาจจะเริ students, ่มวยการบริกรรมาานาหรมดาเข้าอเนก่ายทำให้จิตสงบั้งมั่สมาธิเปิดการกาาเป็น้ ในเมื่อพฤิกรรมภาวนาหรือกำหนดรู้ลงหายใจหรือกำหนดรูที่จิตเคยๆอยู่ปล่อยจ่องรูภความคิดที่จะเกิดขึ้นเป็นอุบายทาให้จิตเกิดความสโบเป็นสมาธิเริ่มต้นแต่กันกะสมาธิอุปจารสมาธิแต่อัปปนาสมาธิเป็นลําดับ เปิดจิตเตอร์สงบโปรไปปีติจ่อมบังเกิดขึ้นทําให้ตัวโยโกโปรยทาให้ตัวสั่นทําให้ตัวคฟองโตขึ้นทําให้ตัวเบาหวิวหวิวทําให้การหายใจลดน้อยลง ใ, น ใ, นในกล้ๆกับว่าการหายใจจะหยุด อ, อาการทั้งหลายเหล่านี้เป็นประสการณ์ที่เกิดขึ้นสําหรับผู้บำเพ็ญสมาธิในขณะนี้น ในเมื่อมีอาการตีหายใจหิวหิวเหมือนกับจะหยุดลมหายใจส่วนมากผู้ภาวนาพักจะตกอกต ก, กใจกลัวจะเป็นอย่างอื่นไปแต่แท้ที่จริงแล้วอันนั้นคืออาการที่จิตมันจะสงบลงเป็นสมาธิแต่เมื่ออาการอย่างนี้เกิดขึ้นเราไปตกใจเสียก่อนแล้วจิตของเราก็ถอนจากสมาธิ ภายหลังก็เลยทําให้เราเกิดกลัวทําจิตหลังจิตมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นอีกสักทีเพราะฉะนั้นทางที่ดีในเมื่อใครบริกรรมภาวนาด้วยกำลังพอลงไปแล้วจิตเตกิดฟังสงบลงดังที่กล่าวนั้นไม่ควรกลัวควรทำจกติให้ดีควรกำหลงรูล้ลงที่จิต ให้นึกว่าการภาวนานี้ไม่เกิดอันตรายมันจะเป็นอย่างไรลงไปก็ปล่อยปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันไม่ต้องกลัวไม่เคยมีใครนั่งภาวนานแล้วตายตนั่งภาวนานแล้วตายในขณะที่จิตสงบกเป็นสมาธิดีซะ อ, อีกจะได้ไม่เกิดบทขบวนเกิด เราะการทำสมาธินั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวให้กำหนดรู้ลงที่จิตอาการเหล่านั้นกำเกิดเพราะจิตจะสงบหรือจิตกำลังสงบถ้าเราไม่กลัวกำหนดรู้ลงที่จิตตัดสินจสใจว่าแล้วจิตของเราจะตัดกระแสความรู้สึกที่เรามีความรู้สึกอย่างธรรมดาคือในขณะนี้ อาชวันลงไปแล้วสภาวะอย่างหนึ่งจะปราผมขึ้นสู่ความสงบจิตซเรียกว่าสมาธิเมื่อจิตสงบลงไปแล้วความสว่างถวัยปวามปกเพิ่นถ้าอาวุธจิตสงบละเอียดลงไปจริงๆร่างกายก็หายไปหมดลมหายใจหายไปหมดปีติแต่ความสุขหายไปหมดยังเหลือแต่จิตสงบนิ่งสว่าว่าเอย อ, อยู่อย่างนั้น อันนี้เรียกว่าจิตสมบูรในขั้นสมาธิซึ่งเกิดจากบริกรรมภาวนาที่นี้เราหัดบริกรรมภาวนาโดยกำหนดลมหายใจเข้าออกเข้าออกหรือกำหนลดรู้อารมณ์ที่จะเพเกิดขึ้นกับจิตมาเป็นเวลานานพอสมควรแล้ววันนี้เราลองมาฝึกหัดพิจร า, ารณากาญคตาสติลองดูซิ ตาจิตตาสติตังที่เราปวดมนเป็นประจำทุกวันทุกวันคืออายังข้อเมกาอยู่กายของเรานี่แหละปดทางปลาทัศลาพื่อบนแต่ขื้นท้าขึ้นมาอโศเกตหัจกกาเื่อตั้งแต่ปลายผมลงไป ตาจาริยันโตมีหนังพุงอยู่เป็นที่สุดรอบโอโลอนานปการัสสาสุจินโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆวันนี้จะขอแนวิธีพิจารณามูะกรรมฐานกรรมฐานภาพโมระกัจจพจนกรรมฐาน โมระมาธรรมฐานีผมเป็นเบอตงต้นขอให้ทุกท่านจงกำหนดรู้ลงจิตตัวขนาดหนึ่งแล้วน้อมไปที่ผมผมคือสิ่งที่เป็น เ, นเ้นเศษเปิดจมนสีสันข้างหน้าตั้งโลดแต่หน้าผา เมื่องหลังกำหนดแต่ท้ายปลอยปลายคอต่อมเมือ ง, มองข้านกำหนดแต่มหูทั้งสองข้างผมนี้เมื่อน้อยมีสีดำตับเป็นมันรันแก่มาก็เปลี่ยนเป็นสีขาวสปลอกผมเป็นสิ่งที่ปฏิกูด้ดรอเกิดอยู่ในที่สกปรกโสโโลกชุ่มแท่ไปด้วยปุโปรโลิ ภายในถังที่รากผมอาศัยอยู่นั้นเต็มไปด้วยน้ำเลือดน้ำหนองน้ำเหลือไปของสบูล่ลงเหลือที่จับพันธะาซึ่งโดยปกติเมื่มอเกิดความร้อนเหลือปลายไหลออกมาก็มาทําให้ผมนี่เกิดความสบูล่ลงเป็นสัตเราต้องคอยทำความสะอาด ล้างด้วยตาำปอกด้วยสบู่ประดับตกแต่งอยู่ตลอดเวลาเพราะผมเป็นสิ่งที่ปฏิกูลสกปรก โ, ด โ, ด โ, ดโดตล่ถ้าปล่อยไว้กดทิท้งไว้ก็เป็นสาดเห็นสารนสารน่าเกลียดทีครนะับเพราะฉะนั้นเราจรึงคอยทําความสะอาดแต่ประดับตกแต่งอยู่ตลอดเวลา ก็เพื่อจะติดตังของปฏิปูณนาเสียโสโตภายในผมนั่นเองแต่จะด้วยประาก า, ารใดก็ตามผมมันก็ยังมีความปฏิคูณมีความสกปรกโตโลกอยู่นั่ น, นแล่ละเผลอๆก็เกิดความสกปรกก็เมือคลายไหออกมาเวลายังมีชีวิตอยู่ผมก็ยังปฏิปูณนาเพียถึงขนาดนี้ ถ้าหากว่าชีวิตสิ้นลงไปแล้วผมก็ยิ่งกลายเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดยิ่งขึ้นโดยยิ่งเพิ่มความเน่าความเป็นความปฏิกูลความโสโครกสกปรกยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นผมจะเป็นสิ่งที่ปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกแล้วเป็นไปติดก้น ผนเกิสิ่งที่เป็นเส้นเส้นเกิดอยู่ทั่วร่ า, รางกายเว้นฝ่ามือฝ่าเท้าผมก็เป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสมโรกสกปรกก็เกิดอยู่ภายในที่ซึ่งชุ่มแช่ไปด้วยโคโลดิตก็ต้องคอยทำความสะอาดก็ด้วยสบู่และกระดาษตกแต่งอยู่ตลอดเวลา ถ้าปล่อยยิ่งไว้ก็ยิ่งเป็นศาสเป็นศาสก็เกิดปลายปลายออกมาจากร่างกายทําให้ผลต้องเป็นสิ่งที่สกปรกปฏิกูลน่าเปลี่ยนจริงนะแม้แต่เวลาผมร่วงหลดลงไปในจานจากฆ่าหรมอกาอาหารพอมองเกิ็แล้วก็ยิ่งเพิ่มความปฏิกูลน่าเปลียนสกปรกถ้าหากร่างกายทั้งลุกนี้ถึงแก่ความตายเน่นนาเปื่ยหุบพังไป ว่าเย่งทำให้ผมนี่ปฏิปูนหน้าข่านี่ปฏิปูนหน้าเกลียวโต่ยิ่งขึ้นไหนจะต้องมีกลิ่นเนยไหนจะต้องสกปรกหน้าเกลียวยิงนักไม่สวยไม่งามเิดแล้วกนึไปเล็บเล็บเป็นสิ่งที่เป็ดเป็ดเปิดที่ปลายนิ้วเท้าทั้งยี่สิบนิ้วแนสแกนของสกปรกเพราะเราต้องใช้มือจิบด้านจีบนิ้ ผูที่เป็นเจ้าของต้องคอยแก่คอยแช่ภูนิคอยล้างด้วยนะก็ด้วยสบู่ถ้าเกินทิ้งเอาไว้ก็สกปรกเป็นสาดเป็นสาดน่าเกลียดจริงนะในปัจจุบันที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ยิ่งยังมีความสติกูรณ์น่าเกลียดถึงขนาดนี้ถ้าหากว่าเราสิ้นชีวิตลงไปเนี่ยเล้วมันก็ยิ่งจะเพิ่มความเน่าเปื่ เป็นของพิกูนน่าเกลียดจริง น, นแล้วก็เท่งไปทิ่ฝันทันตาตือฝันได้แก่กระดูกเป็นซี่ๆเกิด อ, อยู่บนเหงือกเบื้องบนแบบนละเบื้องล่างเราใช้เทียวบทอาหารเป็นสิ่งที่เกิดอยู่ในที่สุกระกชุ่มแค่ไปด้วยปุโปโลหิตซุ้มไปด้วยน้ำลายตลอดเวลา เวลาเรารับประทานอาหารเศษอาหารเป็นติดตามไรฝัดต้องคอยทําวามสอาดแปลงด้วยปันด้วยยาสีปันต้องาาารักษาคาษสอาดถึงเป็นนี้ถ้าปล่อยทิ้งเอาไว้ก็ยิ่งสกปรกเป็นฝาเป็นสาีพิษนั้นเป็นสิ่งที่น่นเนาเกลียดแต่ยิ่งร่างกายนี้ถึงแก่คัาตายลงไปบันก็ยิ่งเป็นสิ่งที่นน เ, เ น, น, น่าเกลื่อนปุกปั้นน่าเกลีจริงนั้น แล้วก็เลื่อยไปที่หนังใบโตเปื่อยหนังได้เป็นสิ่งที่เป็นแผ่นบางๆของหุม อ, อยู่พั่วร่างกายถ้าเราจะลอกหนังทั้งหมดนี้ว้นเข้ามาเป็นคลอดก็จะได้โตขนาดผมผุกดสาขนาดใหญ่หนังนี้เป็นของปฏิกูลหน้าเสียอย่างยิ่งเพราเป็นสิ่งที่หอหุอ้มสิ่งปฏิกูลน้าเสียเอาไว้ แต่สิ่งกระนั้นภายในเมื่อเกิดความร้อนขึ้นมาก็คายเหลือกลาออกมาทาให้ผิวหนังต้องสะกดกลบปฏิกูลเราต้องอาบน้ำอสบสบู่้อนข้อสวยแสบตกแต่งตลอดเวลาเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ปฏิกูลน้าเกลียโสโศกจริงนัดเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็ยังเป็นสิ่งที่ปฏิกูลน้าเกลียดโศกโถึงขนาดนี้แล้ว ถ้าบอกว่าเราทายลงไปงนี่ตังก็จะเนาเมื่อข้างในก็จะเน่เานทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเน่าเน่าแล้วเปล่ยนมีน้าเหมืองไหลเป็นสิ่งที่เกิความปฏิกูลหน้าเปลียนเป็นอย่างที่เพราะฉะนั้นเรารูแต่เพียงแต่สิ่งถ้าอย่างนี้คือผมฝนเล็บปัหนานะเป็นสิ่งที่ปฏิกูลหน้าเปลียนโดยครบต้นแล้วส่วนอื่นก็เหมือนกันยิ่งจะมีความปฏิกูลน่าเปลียนยิ่งสุด อันนี้เป็นโมราธรรมฐานเป็นธรรมฐานเบื้องต้นที่นักปฏิบัติจะึกิพิจารณาตื่นรีบด่วนเพื่อเป็นโวบายขายถอนราคะความกำหนัดจินดีไม่ให้เกิดขึ้นครุกหลุกติดใจเราจะได้อยู่เย็นเป็นสุขในพระธรรมพระบิดในแล้วจะได้มีโอกาสประพฤติคบธรรมดันด้วยความสะดวกสบายไม่มีกิริย์ลบโวด ลาข้าจริกเป็นจริกชนิดหนึ่งของคนในโลกนี้คนที่มีลาขาจริกมีปกติร่าสวยรงามทอดแต่งตัวทอดระดับตกแต่งเครื่องแต่งตัวที่สวยๆงามาอันนี้เป็นลักษณะของคนมีลาขาจริกเราพระเจ้าก่านสอนให้พิจรารณาอสุภาพสมมาตเพือพิจรารณาผมผมได้ฝันนั้น ในเบื้อต้นให้เห็นเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครเพื่อจะได้เป็นอุบายระงับการท้าทายสำนึกจิตดีการพิจารณาเช่นี้เป็นอุบายส่วนจิตของเราให้เกิดสติปัญญาอาศัยแต่เพียงแค่การพิจารณากรรมฐานภาพประการอย่างเดียวเท่านั้นพิจารณากลับไปกลับมากลับไปกลับมาเป็นต้ะห์ตัว ในเมื่อจิตมีความความตั้งตในการพิจารณาภายหลังในเมื่อเราได้ก็จะพิจารณาจิตก็จะวิ่งไปสู่การพิจารณาเองโดยอัตโนมัติเมื่อเป็นเช่นนั้นก็จะเป็นอุบายทําให้จิตเกิดความสงบ ม, มีปีติจมีความสุขเบิ่งเบกันกับ ก, ก, การบริกรมรมภาวนาหรือพิจารณาอย่างอื่นลำพังแต่การบริกรมรมภาวนาอย่างเดียว สามาที่จะทําให้จิตสง บ, บเป็นสมาธิได้ตามลำดับตั้งแต่อุปจาระสมาธิแล้วก็อัปนาสมาธิแต่จิตที่สงบด้วยการพิจารนานี่ก็สง บ, บลงเป็นอุปจาระสมาธิอัปนาสมาธิเช่นเดียวกันแต่เมื่อจิตสง บ, บลงไปแล้วภายหลงังจิตจะมีสติปัญญาปฏิวัติตรงไปถูกภูมแห่การพิจารณานะครับ เองโดยอัตโนมัราะฉะนั้นการพิจารณากรรมาฐานขน้าด้ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนั บ, บหนวยในพระพุทธศาสนายังเป็นจะต้องรีบเร่งพิจารณากรรมาฐานข้าคือผลผลเมตตาทำไมจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะเหตุว่าค้างามของคนนีมันมีอยู่เพียงห้าอย่างเท่านั้น ถ้าคนที world, ่มีผมงามสวยเขาก็เรียกว่าคนงามคนที่มีผนเป็นระเบียบเขาก็เรียกว่าคนงามคนที่มีเล็บงามเขาก็เรียกว่าคนงามคนที่มีปัญญามเขาก็เรียกว่าคนงามถ้าคนที่มีผิวหนังเปลี่ยนเปล่าสะอาดสะอ้านเขาก็เรียกว่าคนงามพรา่องความงามในสิ่งผ้าอย่างนี้เป็นสิ่งที่ผิดหมู่บางกล่ามคนที่มีราคะฉริบ ทำให้ติดอยูในความกิเลสดฉะนั้นท่านจึงสอนให้พิจารณาอาถรรพรรมาฐาน่านเป็นอุบายแก้ร า, าภาคว า, คาคมกำหนักจิตใจสาทุชนผู้คคม่งหวังในการที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อความเจริญและเพื่อได้แก้กิเลตของตนเองที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้ือลาะให้มันพิจารณราอสุภรพ์ธรรมาฐานพิจรรรารณาสงผลเล่ห์ปัญญา ให้เห็นเป็นของสติปุมุนาเตโซโรแม้ว่าเราจะยังไม่เห็นจริงตามนั้นแต่เราพิจรารณาบ่อยๆบ่อยๆเข้าจิตของเราก็จะค่อยเชื่อในกาในความคิดของตัวเองแล้วในที่สุดจะค่อยน้อมใจเชื่อลงไปสีน้อยสีน้อยจนกระทั่งเชื่อจริงว่าร่างกายเป็นของสติปุมุนาเตแล้วราภความสำลักจรินดีจะผ่อนฟันเทาเลง จะทำให้ผู้ปฏิบัติอยู่เจริญสุขในพระธรรมวินัยตื่นไปตอนนี้ไปขอได้โปรดทำตามสงบและพิจารณารมตามแ้วที่ให้ํำและรมเพื่อเป็นตัวใบเบึกขานจิตให้เกิดสติปัญญาให้ครอบตัวต่อการพิจารณาสถาวันธรรม เมื่อเราพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งจนครอบตัวแล้วแม้ว่าการจะไปพิจารณาอย่างอืง่นก็ย่อมไปจากขอให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งและมันครอบตัวเป็นพื้นฐานเอาไว้ก่อนตอนนี้ไปฝนทำควาสมสงบจนกว่าจะถึงเวลาอันตฝน อันนี้เป็นแนวทางพิจารณาตามหลักสูตรแห่งการบำบัดซึ่งมีอยู่ในแบบมีปัญหาว่าถ้ า, าเราไม่เอาเรื่องของผมผนเล็บฝันหนังมาพิจรารณาจะเอาอย่างอื่นมาพิจารณาจะได้หรือไม่ อย่างทีเราสามารถรู้ได้ด้วยจิตแต่เป็นวิชาความรู้เรื่องงานการรู้เรื่องราวต่างๆที่มีมความเกี่ยวพันกับชีวิตประจําวันของเราเราจะเอาสินั้นมาพิจารณาเป็นอารมณ์ก็ได้แม้แต่เพียงว่าเราเลิวตกวติการณาในใจว่าเวลานี้เราเป็นอะไรแล้วก็พยายามต่อปัญหา ตอบคำถามของตัวเองว่าเราเป็นสิ่งนั้นสิ่งนั้นในหน้าที่ของเราควรจะทาอย่างไรเมื่อเรารู้ว่าเราเป็นอะไรเราก็รู้จักหน้าที่ของตัวเอง <c oughs> เป็นเปรตผัดตัวว่าเราเป็นเปรตผัดก็ยังรู้จักหนาที่ของเปรตผัน <c oughs> เป็นพระก็รู้จักหนาทีของพระ ในเมื่อเรารู้จักหน้าที่ข อ, องตนแล้วเราก็จะรู้จักวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับหน้าที่ข อ, องตนเองแล้วก็เอาสิ่งนั้นๆแมาพิจารณาเป็นอารมณ์ของจิตหากสมมติว่าเราเกิดกระทบอารมณ์สิ่งใดขึ้นมาทําให้จิตเกิดหมู่เหตุขึ้นมาในเกิดความโกรธขึ้นม า, น เ, า, กกนมาเราจะเอาสิ่งนั้นมาพิจารณาในปัจจุบัตินั้นก็ได้ เอกที่มาทาข้ามาได้ทำให้รู้เรารู้สึกโกรธทําไมเราจึงต้องโกรธเราก็พิจนารณาแก้ปัญหาของตัวเองไปเรื่อยๆําว่าต้องอะไรเพื่ออะไรก็ อ, อะไรเพื่ออะไรเราจะเอามาเป็นเครื่องมือในการพิจนารณานก็ได้เช่นอย่างว่าเราปวดมาเพื่ออะไร เพราะอะไรเราจึงเป็นอย่างนี้เพราะเรามีความเชื่อในประสัสนาเราจึงราปวดมาปวแล้วเราเป็นอะไรเป็นพระคุณสมบัติของพระคืออะไรคุณสมบัติของพระต้องป เ, เป็นผู้มีสีมีความสมดุลมีสติต้องพิจารณาตัวเองอยู่เสมอว่าปัจบันนี้เราไม่ใช่พระลูกพันแต่เราเป็นพระ กิริยาอาการตายวาจาใดๆที่เราเคยประตึกนมาแล้แต่สมัยเป็นกระลึกละย่อมไม่มีขอบเีตจํากัดแต่บัดนี้เรามาเป็นกานแล้วความประตึกการพูดการคิดอยู่ในวงจากัดเราจะต้องเป็นผู้สํารวมทุกสิ่ทุกอย่างเราจะต้องเป็นผู้สงบสมบัติเป็นผู้ที่ว่าสมณะผู้สงบ สมโนอัตตาสุสมโนสมณะต้องเป็นผู้สมุทติจาราย้อนกลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นจนกว่าจิตของเราจะพร้องแท้่วทำนิพพานแล้วจะเป็นอุบายให้เกิดทีสมาธิปสติปัญญารู้จริงเห็นจริงในสภาวะาธรรมดนด้ใครจะพาะใจ่สมาพิจารณาผมค น, นเ่็กปัญหาเมื่อเห็นกระดูกอันนี้ บางทีเราอาจจะมีอารมณ์เป็ตึกถึงใครสักคนหนึ่งที่เราชอบของชอบใจเอาตัดพิจารณาไปอย่างอื่นมันจิตมันก็ไม่ยอมไม่ยอมปล่อยวางมันจะนึกถึงสิ่งนั้นทำมันลำพาณหนัเข้าเอาชื่อของเข้ามาบริกรรมภาวนา มันจะทำให้จิตของเราที่ติดกรรมริกรรมภาวนาเร็วขึ้นในเมื่อจิตติดปริกรรมภาวนาจากเหนียวแน่นสมาธิมันย่อมเกิดสมาธิเกิดแล้วย่อมมีปีติมีความสุขดีไม่ดีมันจะเห็นภบพาดมิจฉาของคนที่เรารักเราชอบใจปราบนขึ้นในสมาธิที่เรารู้เห็นในสมาธินี้มันย่อมจะมีสติปัญญาพอที่จะเพ่ง ภาพในมิตั้นให้กลาถึง็โตสรุปขึ้นมาก็ like ได้ซึกงุะแล้วแต่สติปัญญาของใครจะรู้เท่ากันเพราะฉะนัดการภาวนาเนี่ยลำคัญธุที่การทำสติเราบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธก็ดีกำหนดลมหายใจเข้าออกเข้าออกก็ดีพิจารนาการยะกตาสติโสงโปเบปันนันก็ดี หรือทำพิจรารณาสิ่งอือ่นๆ ก, กด็ดูเป้าหมายเพื่อจะสร้างฐานที่ตั้งของสติให้มีความมันน่นคโดยปกติแล้วเราจะไม่ได้เอาอย่างเดียวโดยไม่ให้ไปถึงจุดใดจุดห น, น, น, นึ่งถ้ามัเกิดความแนวแรกขึ้นมาสติของเราก็ไม่มีฐานไม่มีจิตัานถ้าเราไม่เลือกถึงสิ่งที่มันเป็นโลกเราก็นึกถึงสิ่งที่เป็นป น, นาม เอาสติไปจดจน้งหนิ่งสินั้นแล้วหลับๆเข้าสติมันจะมีฐานทีตั้งสี่เยอะในเมื่อสติมีฐานทีนต่ตั้งสี่เยอะมันเกิดความมั่นคงขึ้นมาเรียกว่าสมาธิในเมื่อสมาธิเกิดเกิดจิตใจสงบไม่บวันไหวจิตใจนิงมันก็สามารถที่จะพองเห็นทุกสิทุ ก, ทกอากได้เตรียมไวเจ่า อ, องลงไปในก้นทะเลในเวลาห้ามันนี้ น้ำในไม่กับเพื่อนไม่มีพอเราจะมองเห็นปลาในเต่าเคลื่นไหวอยู่ในน้ำเห็นกวดเห็นตายเห็นไตเข้าตะเลได้ขนาดชั้นใดจิตที่เราสามารถทําให้สงบจากอารมณ์ต่างๆก็ไปสู่ความสงบเกิดสมาธิได้เราสามารถไปความสงบนิ่งตัวสบายมีปีติมีความสุขเรายกสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆอันเห็นสิ่งมือหม่องภายในจิตของเราได้าชัดเจน หรือผลประโยชน์ที่เราจะได้จากการทำสมาธินอกจากเราจะมีกำลังใจมีกำลังสติเข้มแข็งแล้วเ ไ, ไดาเราทำงานทำการอะไรกาลังของสมาธิอาั้จะไปสนั ก, นกสนุง น, นงานการที่เราทำอยู่สมาธิที่เราทำให้จิตใจเราเป็นสมาธิได้ก็จะดีอยน์ เ ส, สร็จแล้บดีบางขันมีูมิสติปัญญาในจิตหลักสามารถที่จะเอาสมาธิไปประยุกต์กับพิธารามรู้ที่เราเรียนมาทุกภาษา ท, าทุกภาษ า, าสามรสามรถที่เอาพลังสมาธิไปสำเร็จผลกิจการงานที่เราทําอยู่ได้ทุกอย่างทุกสิ่งอันนี้คือผลที่จะเกิดเกิดขึ้นจากการปฏิบัติสมาธิแต่สําหราศัยต้นต้นเดช บาทีเราเดินมีจิตสมองเป็นสมาทานกล้มันจะเบื่อได้เราจิับโคงจะเพิ่มเชื่อมันแต่มัน่ายไปก่อน